เป็นสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและสาธุชนทั้งหลายครั้งนี้ก็จะเป็นแบบเรียนอนุพุทธประวัติซึ่งเป็นวิชาประจำสำหรับนักธรรมชั้นทูอนุพุทธประวัตินี้ก็คือประวัติของท่านพระสาวกผู้ใหญ่ สองค์ด้วยกันที่เราเรียกกันว่าอาสีติมห า, าสาวกพระพุทธศาสนาของเรามีโครงสร้างสำคัญคือพระตนไตรยัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนิกชนพระสาวก ซึ่งเป็นลัตนะประการหนึ่งในลัตนะทั้งสามเป็นสาธารณะทายาทที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนากล่าวคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และแสดงธรรมภะษาวกเป็นผู้รู้ธรรมะและรับไปปฏิบัติแล้วนำไปเผยแผ่สั่งสอนพุทธเวไนยสัตว์ต่อไปฉะนั้นพระสงฆ์สาวกจึงเป็นกาลังสาคัญอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา <c oughs> ซึ่งจะช่วยประกาศพระธรรมและประดิษฐานพระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่หมูม่ชนผู้เกิดมาในภายหลังโดยได้นำเอาพระพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อตนเองและสังคมให้มีความสงบสุขในสังคมโลกด้วยกันประวัติความเป็นมาของพระสาวกนั้นเป็นเรื่องมีความสาคัญเป็นอันมาก ด้วยเป็นเรื่องบอกให้ทราบถึงชีวประวัติและจริยาวัดอันเป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาควรที่จะเป็นทิฏฐานคติคือเป็นแบบอย่างที่จะได้ถือไปปฏิบัติต่อไปดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อระลึกถึงอุปการะคุณของท่านแล ะ, จะเจริญลอยตามจริยาวัดของท่านเพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป สำหรับประวัติของท่านพระมหาเถระหรือที่เราเรียกกันว่าอนุพุทธประวัตินี้ที่จะได้นํามาสําหรับเป็นแบบเรียงของนักธรรมชั้นโทนี้ด้วยกันทั้งหมดแปดสิบลูปหรือแปดสิบองค์แต่ว่าสําหรับประวัติของท่านบางองค์ที่เกี่ยวเนื่องกันก็จะได้บรรยายไปพ ร, พร้อมๆกันคือประวัติที่เหมือนกัน เช่นประวัติของท่านพระปัญจวัคคีและก็ประวัติของท่านพระอริยสอาพระอัคสาวกเป็นต้นสำหรับในวันนี้ก็จะได้บรรยายถึงประวัติของท่านพระปัญจวัคคีก่อนประวัติของท่านปัญจวัคคีนี้มีด้วยกันทั้งหมดห้าท่านด้วยกันคือหนึ่งพระัญญาโกณทัญญะ 2. พระวัปปะสพระพัทิยะสพระมหานามะและหพระอัเซิเทระทั้งหมดรวมกันแล้วก็เป็นห้าท่านเดกันที่เราเรียกว่าปัญจวคีท่านพระัญญาโกนทัญญะนั้นประวัติเดิมของท่านเดิมท่านชื่อว่าโกนทัญญะ เป็นคนเกิดในวันะของพราหมณ์คือเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลในบ้านที่ชื่อว่าโทนวัตุซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากกรุงกรุงกบิลพัทซึ่งเป็นแว่นแควงของสักกะชนบทมากนะักส่วนพระว ป, ปะพัทยะ มหานามะและอสิชิก็เช่นเดียวกันเกิดในตระกูลพราหมณ์คือในวันณะของพราหมณ์อยู่ที่บ้านพล น, นวัตถุและก็อยู่ไม่ห่างไกลจากกุมมบิลพัฒนนักเหมือนกันแต่ว่าประวัติของท่านพร ะ, ะพระโกลทัญญาโกลทัญญาพราหมณ์นี้ตามประวัติของท่านนั้นเมื่อท่านได้จเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาหรือว่าเติบโตขึ้นมาแล้ว ก็ได้รับการศึกษาตามระดิของพรามจนกระทั่งที่เรียกว่าเรียนได้จบตามคัมภีร์ของพรามที่เราเรียกว่าไตรเพศไตรเพศนี้ก็คือเวสามประการอันเป็นคัมภีร์ของพราหมสามคัมภีร์เดียวกันไตรเพศนั้นก็คือหนึ่งลึกเขเวทหรืออิลุเพศ เป็นคำพีหนึ่งซึ่งแต่งเป็นซึ่งแต่งเป็นคำฉันร้อยกรองเป็นคำอ้อนวอนและสวดและบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าคำพีที่สองได้แก่สามเวทเป็นคำพีที่แต่งขึ้นเป็นคำฉันร้อยกรองขึ้นเพื่อสวดในพิธีถวายน้ำโสมแด่พระอินทร์และขับกล่อมเทพเจ้า คำว่าถวายน้าโสมนี่แกพระอินนีก็คงจะเป็นน้ำสุราน้ำโสมนี้ซึ่งมีคำเรียกต่างๆกันเช่นน้ำสุลานี้ถ้าหากว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้เสวยเขาก็เรียกกันว่าเป็นน้ำจันเพราะฉะนั้นน้ำโสมที่ถวายแกพระอินน้ำสุราที่ถวายแกพระอินนีก็คงจะเรียกกันว่าเป็นน้ำโสม สำหรับในคำพีที่สามนั้นยชุระเวทหรือยชุเพทเป็นคำพีที่แต่งขึ้นเป็นคำร้อยแก้วโดยกล่าวถึงพิธีกรรมและการบวงสรวงเทพเจ้าต่างๆสำหรับในคำพีคำพีนี้ก็คือคำพีที่เรียกว่าเป็นาศนาสนพิธีบอกกล่าวว่าพิธีที่จะถวายน้ำสมแด่พ ร, พระอินนั้นจะต้องใช้มนบทนั้น จะได้คำสวดอย่างนั้นและการถาวายน้มสมแด่พระอินทร์จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นจัดทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นคำพีอันหนึ่งเป็นาศาสนาพิธีบอกถึงพิธีกรรมและบทมนต์ต่างๆที่จะพึงใช้ในพิธีกรรมนั้นๆทั้งสามคำพีนี้เป็นคมภีอันมีความสาคัญศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ทั้งหลาย พรามทั้งหลายนะั้นเขากล่าวว่าคนที่จะเป็นพรามณ์ได้อย่างเต็มตัวนั้นก็ต้องเรียนจบคัมภีร์ไตรเพศทั้งสามประการนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีอาคำกล่าวขึ้นว่าธรรมดาพราหมณ์นั้นเกิดขึ้นสองครั้งดังที่เราจะได้เคยเห็นหรืออเคยได้ยินคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าจะกล่าวฝ่ายพรามนาที่ชาชาติก็หมายความว่าคนที่จะเป็นพราหมณ์นั้นต้องเกิดสองครั้งเหมือนกับนกหรือไก่ เกิดสองครั้งอย่างไรนกและไก่นั้นเกิดมาครั้งแรกก็เกิดมาเป็นฟองไข่ก่อนและจากฟองไข่นั้นก็จึงเกิดมาเป็นตัวส่วนพรามณนี้ก็เช่นเดียวกันเกิดสองครั้งเช่นกันเหมือนกับนกและไก่แต่ว่าไม่ได้เกิดมาเป็นฟองไข่ก่อนเลยถึงมาเปิดเป็นตัวเหมือนกับนกคือเกิดมาครั้งแรกนั้นโดยชาติที่กาเนิด ก็หมายความว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์วันณะพราหมณ์ซึ่งมีพ่อก็เป็นวรนละพราหมณ์และก็แม่เป็นวรนละพราหมณ์อันนี้ถือว่าเป็นพราหมณ์โดยบริสุทธิ์ประการหนึ่งโดยการเกิดแต่ว่าจะเป็นพราหมณ์ให้สมบูรณ์นั้นจะต้องเรียนจบลัทธิของพราหมณ์ที่เรียกว่าไตรเพศเมื่อคนใดเรียนจบไตรเพศนี้แล้วคือคำภี์ทั้งสาประการนี้แล้วจึงเรียกว่าเป็นพราหมณ์อีก ขั้นหนึ่งที่เรียกว่าโดยการศึกษาเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงโกนธัญญะพราหมณ์ผู้นี้ก็นับว่าเป็นพราหมนาที่ชาชาติคือเป็นผู้ที่เกิดสองครั้งโดยการชาติกำเนิดครั้งหนึ่งและโดยการศึกษาครั้งหนึ่งและนอกจากจะเรียนคัมภีร์สามคัมภีร์ได้จบแล้ว โกนธัญพรามนี้ยังได้เรียนรู้ถึงลักษณะมนคือตำลาทายลักษณะอีกประการหนึ่งอีกสาขาหนึ่งก็ตําลาทายลักษณะนี้เท่าเรากันพูดกันตามสามมังคือว่าสามารถที่จะเป็นผู้ที่ดูหมอให้แกใครๆได้ทํานายทายทักได้เมื่อพระนางเจ้าสรีมหามายาได้ ได้ประสูติพระราชโอรสออกม า, าได้ประสูติพระราชโอรสมาได้ห้าวันนั้นพระเจ้าสุโธธนะซึ่งเป็นพระราชสวามีก็ได้ทรงตรัสให้เชิญพราหมร้อยแปดคนมาฉันโพชนาหารเพื่อเป็นการสมโพธในพระราชพิธีทํานายพลักษณะและขนานพระนามโกนทัญญะพราหมู้นี้ก็ได้รับเชิญด้วย เมื่อพรามทั้งหมด108คนนี้ได้ฉันโภชนาหารเรียบร้อยแล้วก็จึงเลือกกันเองในบรรดาพราม108คนนี้เลือกเฉพาะพรามที่รู้ลักษณะมนคือรู้จากตำราสาหรับทายลักษณะ8คนดดวยกันเหลือโดยเลือกเอาพรามที่มีความเชี่ยวชาญในการทำนายลักษณะนี้8คน ใ น, นนในจำนวนพราหมณ์ในจํานวนพราหมณ์แปดคนที่ทาํานายลักษณะนั้นโกนธัญญาพราหมณ์ผู้นี้ก็อยู่ในจําพวกนั้นด้วยคือได้รับคัดเลือกในบรรดาพวกพราหมณ์ทั้งร้อยแปดคนให้อยู่ในจํานวนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทํานายลักษณะแปดคนด้วยและในบรรดาพราหมณ์ทั้งหมดแปดคนนี้โกนธัญญาพราหมณ์นั้นเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มและอายุน้อยกว่าพราหมณ์ทั้งหมด เมื่อพรามทั้งแคนนี้ตรวจดูลักษณะของพระมหาบุรุษซึ่งประสูติได้ห้าวันแล้วพรามทั้งเจ็ดคนนั้นเมื่อตรวจดูลักษณะและลงเลโยงยันตามวิถีกลางของตัวเองแล้วก็ได้ชูนิ้วขึ้นมาเป็นสองการที่ชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วนั้นได้ทำนายลักษณะของพระมหาบุรุษว่า มีคติเป็นสองทางด้วยกันคือทาาที่หนึ่ง ถ, ถ้าอยู่ครองเป็นคารวะจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งมีทวีปทั้งสี่ทวีปทวีปคือมหาทวีปทวีปใหญ่สี่ทวีปและทวีปน้อยสองพันทวีปเป็นขอบขันธศีมาคือพูดง่ายๆว่า พระเจ้าจากักรพรรดินี้ก็คือเป็นเจ้าโลกอีกทางหนึ่งอีกคติหนึ่งพรามทั้งเจ็ดได้ทำนายว่าถ้าออกผนวดจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลกนี่ทำนายไว้เป็นสองประการเดียวกันแต่ว่าโกนทัญญพรามเพียงคนเดียวเท่านั้น ในบรรดาพราหมณ์แปดคนเมื่อตรวจดูลักษณะแล้วตนเองก็มั่นใจในตาราของตอนเองจึงได้ชูนิ้วขึ้นเป็นนิ้วเดียวเพียงนิ้วเดียวซึ่งได้ทํานายทายทักว่าคติของพระมหาบุรุษผู้นี้มีเพียงคติเดียวเท่านั้นคือต้องออกเสด็จออกบรรพชาแน่นอนจะไม่อยู่ในเป็นออยู่ในคารวะวิสัย และเมื่อออกเป็นประชาแล้วจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา ส, มสัมพุทธเจ้าอย่างแน่พรามทั้งหมดนี้ก็จึงได้ถวายพระนามให้ว่าชื่อว่ะสิทธะกุมารซึ่งมีความหมายว่ามีความต้องการสำเร็จทุกอย่างคือหมายความว่าพระมหาบุุษผู้นี้ มีความประสงค์สิ่งหนึ่งจำสิ่งหนึ่งประการใดแล้วก็ทำจนสำเร็จจึงถวายพระนามว่าสิทธะกุมารโกนธัญญพราหมนนั้นเชื่อในตำราของตนเองก็คอยเฝ้าสดับติดข่าวตามข่าวอยู่เรื่อยว่าพระมหาบุรุษนี้จะออกบรรพชาในเวลาใดตนเองก็จะได้ออกบทตามคอยสดับข่าวอยู่อย่างนี้ จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงยี่สิบเก้าปีสะดับข่าวเนี้จนกระทั่งที่ล่วงเลยมาเวลาถึงยี่สิบเก้าปีเจ้าชายศิษฐอุมมะกุฎราชกุมารนี้ก็มีพรรษาได้ยี่สิบเก้าปีจึงได้เสด็จออกบทในลาตรีแห่งวันเพ็ญอาสารหมาตคือเดินแปดขึ้นสิบห้าค่ำเมื่อกอนทัญะญพรามนั้นได้ข่าวแล้ว จึงได้ไปชักชวนบุตรของพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนที่ทํานายทายทักแตกันคือพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนนั้นเมื่อตอนเองทายมีคติเป็นสองแล้วตนเองก็ยังไม่แน่ใจก็คิดแต่เพียงว่าถ้าหาพระมหาบุุษนี้ออกบัญชาตนเองก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ทันพระมหาบุตรได้ก็จึงได้สั่งจึงได้สั่งลูกของตัวเองไว้ ว่าถ้าหาพระมหาบรุษนี้ออกบรรพชาแล้วพระมหาบรุษนี้จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าจงออกบทตามสั่งลูกชายของตัวเองไว้แล้วต่อมานั้น <c oughs> พรามทั้งเจ็ดนั้นก็ได้ถึงแก่สิ้นชีวิตไปก็เหลือบุตรอยู่เจ็ดท่านซึ่งได้สร้างบุตรไว้เมื่อล่วงมายี่สิบเก้าปีเจ้าชายิถาุมารออกบทนั้น โกนธัญญพราหมณีก็จึงได้ไปชักชวนเอาบุตรของพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนแหละออกบวชแต่ว่าบุตรของพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนนั้นยอมที่จะออกบวชด้วยเพียงสี่คนเท่านั้นอีกสามคนนั้นเรียกว่าไม่ตามตามคําสั่งของพ่อคือไม่ยอมออกบวชต้องการจะอยู่ในคารวาพิสัยพิสัยอยู่ต่อไปดังนั้น อันใหญ่โกนทัญญะพรามคนหนึ่งกับบุตรของพรามอีกสี่คนก็คือวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิรวมกันจึงเป็นห้าคนเดียกันเมื่อห้าคนรวมกันแล้วจึงเรียกกันตามแบบภาษาบาลีว่าปัญจวคีแปลว่ามีพวกห้าหรือว่าพวกกลุ่มนี้ชนกลุ่มนี้มีห้าคนเดียกันซึ่งเป็นพักพวกกันก็จึงได้เรียกว่าปัญจวคี ทั้งห้าคนนี้ก็ชวนกันออกบทคือต่างคนก็ต่างอธิษฐานเพศบรรพชาเป็นนักบทประเภทท่วาชดินนะคือนุ่งผ้านุ่งผมผ้าหนังเสือเหลืองไม่ปลงผมไม่ปลงนวดคือว่าไว้ผมไว้หนวดไว้เคราว มุ่นผมของตัวเองนี่เป็นเซื้หรือเรียกว่าเป็นชดาเป็นมวยผมขึ้นไปที่เราเรียกกันว่าชดานักบวชประเภทนี้ที่เรานิยมกันเรียกว่าลือศีแต่ความจริงแล้วคําว่าลือศีนี่หมายถึงนักบวชทั่วไปนะเพราะลือีนี่มาจากคาว่าอิสิกแปลว่าผู้แสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่ก็หมายถึงว่านักบวชเลยนักบวชทั่วไป แต่ความนิยมของคนไทยเรามักจะเรียกว่านักบวชประเภทที่ไม่ปลงผมเอาไว้คราวไว้หนวดไว้ผมทำสมเป็นเซิร์หรือเป็นกระเสริงนี้ว่าลือสีเมื่อที่ฐานเพศออกบวชเป็นลือสีเช่นนี้แล้วก็ติดตามสอบถามจากประชาชนมหาชนทั้งหลายติดตามพระมหาบุตรจนกระทั่งมาพบพระมหาบุตร ซึ่งในขณะนั้นกําลังบําเพ็ญทุกขกลิยาอยู่หน้าที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมจังหวัดขยะศรีสะประเทศซึ่งเป็นอยู่ในแวนแคว้ น, นมคตรรัตด้วยกันเมื่อพบแล้วก็จึงเข้าไปอุปถากรับใช้ต่างๆนาน า, นาประคับประครองคอยประคองลุกประคองนั่งคอยประครองลุกประครองนั่งเพื่อในใจนั้นวังอย่างเดียวว่า เพื่อที่จะให้พระองค์นั้นได้ตัดสู่อนุตตรสัมมาสัมพทธิยานหรือเรียกว่าบรรลุโมกธรรมหรือธรรมพิเศษแล้วเมื่อบรุแล้วจะได้สอนให้ตนเองได้รู้บ้างเข้าไปอุปถาบำลุงนี้คอยประคองลูประคองนั่งนั้นก็เพื่อหวังเท่านั้นเองไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยจนกระทั่งพระมหาบรุษนั้นทรงบำเพ็ญทุกก ร, กริยาในถึงสามวันละ คือว่าวาะละแลนั้นทรงกดพระทนโดยพระทนคือกัดฟันทรงกดพระตาลุกโดยพระชิวหาคือเอาลิ้นเนี่ยดุนเพดานก็ไม่สําเร็จวาละที่สองทรงผ่อนกั้นลมอศัศสะสะประสาสะให้เดินไม่สะดวกทางช่องพรนาศิกและช่องพระโอษฐ์ก็คือว่ากั้นลมหายใจในวาระที่สามนี่ก็ทรงเปลี่ยนมาเป็นอดพระกาหาร โดยผ่อนให้สเสวะให้น้อยลงน้อยลงและในที่สุดก็ไม่สเสวยเลยแต่ว่าเมื่อกระทําเช่นนี้ไปก็ไม่เห็นว่าเป็นทางตรัสรู้ก็จึงมาคิดดำดิว่าหนทางนี้คงไม่ใช่ทางตรัสรู้อย่างแน่นอนก็จึงได้เปลี่ยนการบําเพ็ญเพียรใหม่โดยการกลับมาบําเพ็ญเพียรทางใจปัญจะวัคคีย์ทั้งห้านี้เมื่อเห็นพระองค์นั้นคลาย ความเพียนอันเป็นทุกขกัริยาแล้วกลับมาบำเพ็ญเพียนทางใจโดยที่พระองค์กลับมาเสวยพระกาอาหารใหม่โดยคิดว่าการจะบำเพ็ญเพียนทางใจนั้นต้องทําใจให้สงบแต่ใจจะสงบได้นั้นต้องร่างกายที่เป็นปกติพระองค์ก็จึงได้เสวยกลับมาเสวยเพื่ออาหารใหม่ให้เป็นปกติแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียนทางใจตอนนี้เองปัญจวคีทั้งห้าซึ่งมีพร ะ, ะซึ่งมีโกณทัญญะเป็นต้น หมดความเลื่อมใสหาว่าพระองค์นี้คลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆแต่แล้วกลับมาฉันอาหารสมัยเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะได้ตัดสรุต่อไปก็มาคิดว่าเราจะเมื่อพระองค์ไม่มีทางตัดสรุแล้วเราจะมาอุปถักปฏิบัติพระองค์อยู่ทำไมเราก็ทั้งหมดก็ไปบาเพ็ญเพียนตามที่ความคิดเห็นของเราว่าควรจะเป็นไปได้ ในทางใดที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานดีกว่าดังนั้นแล้วก็จึงได้ละเลยละทิ้งพระมหาบุรุษนี้หนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหนีไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยที่ละทิ้งพระองค์ไม่ยอมปฏิบัติต่อไปอยู่ต่อมากระทั่งจนที่ พระมหาบรุษนี้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานโดยการบำเพ็ญเพียรทางใจแล้วก็คิดที่จะแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์ต่อไปซึ่งในอันดับแรกนั้นพระองค์ ได้ระลึกถึงอาร า, าดาบทการามโคตและอุตกระดาบทลามาบุตรซึ่งพระองค์เคยอาศัยเรียนลทิอยู่ก็คิดที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดท่านทั้งสองนี้แต่ปรากฏว่าท่านทั้งสองนี้ได้สิ้นชีพไปเสียก่อนดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ระลึกถึงปัญจวคีหรือสีทั้งห้าตนนี้ผู้ซึ่งเคยมีอุปการะแก่พระองค์มา พระองค์ก <ock> <over 250 S 2> ็ตัดสินพระไถยได้เสด็จดำเนินไปอย่างอิสิปัตนะมรุกทายวันเพื่อที่จะได้โปรดปัญจวัคคีทั้งห้าเพื่อเป็นการปฏิการละตอบแทนเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดำเนินไปสู่บรุกทายวันนั้นในวันนั้นปัญจวัคคีทั้งห้าได้เห็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาดำเนินแต่ไกลก็จำได้ก็จึงปรึกษากันว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆซะแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์อยู่องค์เดียวนั้นคงจะเกิดความลำคานขึ้นมาสู่สำนักของเราก็เพื่อต้องการจะให้เหล่านี้เป็นผู้อุปถักต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย อย่าได้ไวายอย่าได้ลุกลับไม่ต้องลุกตอนรับและไม่พึงรับบาทรับจีวงของพระองค์แต่ก็ควรที่จะปูอาสนะนั่งไว้สำหรับนั่งไว้เพราะพระองค์เป็นลูกกษัตริย์เมื่อพระองค์ปราถนาที่จะนั่งประทับนั่งก็จงนั่งทาไมประทับนั่งจะเลยไปที่ไหนก็สุดแทแต่พระไถยของพระองค์ก็ได้กระทำกติกากันไว้เช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ก็ได้เสด็จไปสู่สำนักของปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นโดยความที่เป็นแบบคนที่คุ้นเคยกันโดยที่ไม่ถือพระองค์และด้วยอนุภาพแห่งพุทธานุภาพนี้ปรากฏว่าเมื่อพระองค์ไปถึงจริงๆปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ก็ได้ลืมกติกาที่ให้ไว้ซึ่งกันและกันหมดองค์หนึ่งรับบาตองค์หนึ่งรับบาตรรับจีวร อีกองหนึ่งก็ไปหาที่ลองบาดมาให้อง์หนึ่งอ่ใช้น้ำล้างเท้าทาน้ามันให้องหนึ่งก็พัดวีให้ทุกองคนั้นก็ได้เข้ า, อ, าอุปถากภ์วถากพระพุทธองค์นั้นด้วยกันทั้งหมดและก็ได้ทักทายปราศัยแต่ว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นใช้คำที่ไม่ แสดงถึงอะไรแสดงถึงความขรึโดยที่ใช้คําว่าอ่านโดยการที่พูดกับพระองค์ว่าอาวุโสและก็ออกพร น, นามว่าโคดมโดยคําว่าใช้คําว่าอาวุโสโคดมเป็นต้นพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสห้ามเสียว่าเธออย่ามาเรียกอย่ามาใช้คําพูดอย่างนี้คืออย่ามาออกนามและใช้คําว่าอาวุโส บัดนี้ตถาคตนั้นได้ตรัสรู้อมฤุตธรรมแล้วเธอทั้งหลายนะั้นจงตั้งใจฟังตถาคตจะแสดงให้ฟังเมื่อเธอทั้งหลายนั้นตั้งใจประพฤติตามคําสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะได้บรรลุอมฤุตธรรมปัญจวคีร์ทั้งห้านั้นก็ยังได้คัดค้านอยู่ถึงสามสองครั้งสามครั้งคือสามวลาเดียวกัน ว่าพระองค์นั้นคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเสียแล้วฉนันไหนจะบรรลุอามรรึกธรรมได้จะบรรลุอมรุษกธรรมได้พระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสว่าขอให้เธอทั้งหลายนั่นนะ่ะจงระลึกดูซิว่าคํานี้ตถาคตนั้นเคยได้กล่าวไว้ก่อนหรือเปล่าปัญจวัคคีนั้นก็ระลึกดูแล้วก็คิดว่าคําที่ว่าพระองค์ว่า ตถาคตได้บรรลุอมริต ธ, ธรรมนั้นไม่ได้เคยกล่าวมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัต ม, มาตรัสวันนี้ก็คงจะได้บรรลุอมริต ธ, ธรรมจริงบ้างกระมังก็จึงได้ขอสนับความความจริงนั้นแปลปัญจวัคคีย์ที่ได้ใช้คําว่าอาหุโสโคดมนั้นเพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ ไม่ทราบว่าพระพุทธองค์นั้นได้บรรลุอมรรตธรรมแล้วก็จึงกล่าวในฐานะที่เรียกว่าเป็นคนที่อ่อนกว่าหรือเด็กกว่าแบบผู้ใหญ่กล่าวกับเด็กจึงได้เรียกออกพระนามหรือว่าใช้คำเอาโสซึ่งเราแปลกันว่าคุณคำว่าอาวุโสหรือคำออกพระนามนี้ใช้สำหรับคนที่กล่าวที่อายุมากกว่ากล่าวกับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า หรือในบรรดาพระพิสุทิ์ในกันพระพิสุทิ์ที่บวชก่อนใช้กล่าวกับพระพิสุท์ที่บวชภายหลังหรือที่เรียกว่ามีพรรษาอายุการน้อยกว่าแต่สำหรับคำที่คนอ่อนกว่าจะพึงเรียกบุคคลที่มีอายุแก่กว่าหรือพรรษามากกว่านั้นท่านกนําหนดให้ใช้คำว่าพันเตและก็ห้ามออกพระนามหรือออกชื่ อ, อยางเด็กขับแต่นี่ปัญจวคีทั้งห้านี้ ให้คําคเช่นนี้ก็เข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้น อ, อโดยคิดว่าพระพุทธองค์นั้นอ่อนกว่าทั้งนั้นเพราะพระพุทธองค์ตามหลักแล้วทอดเปรียบเทียบกันแล้วพระองค์นั้นอ่อนกว่าปัญจวัคคีทั้งห้าทุกๆคนเพราะวันหนึ่งโกนธัญญะพราหมณ์เป็นผู้ทํานายทายทักนี่แก่กว่าแน่และลูกของพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนทั้งสี่คนนั้นคือมะวะปะพัทธิยะมหานามะอัตชินั้น ก็เป็นลูกของพราหมณ์ที่ได้ไปทำนายทายทักพระพุทธองค์แล้วเมื่อกลับมาแล้วก็ได้สั่งลูกของตัวเองก็แสดงว่าต้องแก่กว่าพระพุทธองค์อย่างแน่นอนเอาละวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความเจริญผ้าสุขจงมีแก่ท่านนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุข ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อครั้งที่แล้วได้บรรยายมาถึงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเธจา้าได้สดเสด็จไปยังอิสิปตนมุลิกทายวันโดยที่ได้ไปพบปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแต่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้น ใช้คําอันไม่สมควรโดยการที่ออกพระนามและใช้คําว่าเอาเอ า, เอาโุโสต่อพระองค์พระองค์ก็ได้ตัดห้ามเสียบอกว่าพระองค์ได้บรบรลุอมลุกเจธรรมแล้วแต่ปัญจวัคคีทั้งห้าก็ไม่เชื่อได้คัดค้านอยู่ถึงสองถึงสามวานละพระองค์ก็ให้หัวให้ปัญจวัคคีทั้งห้านี่ระลึกดูซิว่าคํานี้พระองค์เคยได้ตรัสไว้หรือเปล่าปัญจวัคคีทั้งหา้า ได้หัวร ล, ลึกแล้วว่าวาจากนี้พระองค์ไม่ได้พูดไปในการก่อนการที่พระองค์มาตรัสในครั้งนี้ก็คงจะเป็นว่าพระองค์อาจจะบรรลุดังที่พระองค์ว่าก็ได้ฉะนั้นก็จึงได้ตั้งใจที่จะยอมรับฟังพระพุทธองค์ก็การที่พระพุทธองค์ได้ไปพบปัญจวัคคีนั้นท่านกล่าวว่าเป็นวันในเอเป็นวันขึ้นสิบห้าสิบสี่ค่ำแห่งเดือนแปด ในตอนเย็นเพราะฉะนั้นวันนั้นพระองค์ก็ได้พักอยู่ก่อนยังไม่ได้แสดงพระธรรมเทศนาเลยในวันลุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเพนอาสารหามาคือเดือนแปดขึ้สิบห้าครับพระองค์ก็จึงได้เรียกปันเจวคีทั้งห้ามาประชุมพร้อมกันก็จึงได้แสดงทําให้ฟังพระธรรมเทศนาการ น, นี้เป็นการแรก เพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนากันนี้จึงได้ชื่อว่าพระถมพระประถมเทศนาคือเทศนากันแรกและเทศนากันแรกนี้พระองค์ได้ทรงแสดงเรื่องพระธรรมจักธรรมจักกับประวัตนสุดซึ่งธรรมจักกับประวัตินสตรนี้มีความหมายว่าพระสูตรอันยังตรงจักแห่งธรรมะให้เป็นไปคือพระองค์ทรงแสดง ถึงธรรมะคือเป็นผู้บุญอมุนล้อแห่งธรรมะนั้นให้เป็นให้ไปสู่เวนไปสู่เวณายสัตว์ทั้งหลายคือแสดงทมโปรดเวนายสัตว์ทั้งหลายการแสดงเทศกันนี้พระองค์นั้นได้เริ่มต้นโดยการแสดงทางสองสายก่อนอันนี้เป็นเนื้อความเนื้อความในธรรมจั ก, กปรปปวัตนสุข อันดับแรกนั้นพระ อ, องค์ได้ส แ, ดไดสแสดงได้ทรงแสดงทางสองสายคือสายที่หนึ่งทางที่หย่อนเกินไปได้แก่กามาสุขก า, การมาสุขขลิการโยกคือการหมกมุ่นคลุกเคล้าอยู่ด้วยกามาคุณทั้งห้าทางนี้เป็นทางที่เต็มไปด้วยโคลนและตมคือกามาคุณ คุทางนี้ไม่ใช่ทางสัตรู้พระองค์ตรัสว่าทางนี้ไม่ใช่ทางสัตว์รู้เพราะฉะนั้นพิสุทไม่ควรที่จะประพฤติทางสายที่สองตึงเกินไปได้แก่อตักกิลมัฐานุโยกคือการจะทําความเพียรโดยการทรมานกายทางนี้ก็ตึงเกินไปเต็มไปได้วยขวามแรงหนามคุณทางสองสายนี้พระองค์ตรัสว่า ไม่ใช่ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานพวกพิสุไม่ควรที่จะประพฤติหรือไม่ควรที่จะปฏิบัติเหตุใดพระ อ, องค์จึงได้ทางได้แสดงทางสองสายนี้แก่ปัญจาวาคัคคีทางสายที่หนึ่งนั้นตามลทัทธิของพรามหรือคนบนรานของชาวจมพปูทวีปถือกันว่า นิพพานนั้นมีอยู่สองประการคือหนงโลกียนิพานกับสองโลกุตระิพา น, านโลกียะนิพานนั้นหมายถึงว่านิพพานของชาวโลกในนิพพานของชาวโลกนั้นมีห้าประการในข้อที่หนึ่งนั้นเขากล่าวว่าคนที่จะไปนิพพานได้นั้นต้องประกอบพร้อมไปด้วยการมาคุณทั้งห้านี่ก็ถือว่าไปนิพพานได้ เพราะวันนี้านของเขานั้นเขามีความหมายแต่เพียงว่าแค่ดับทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าทางนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ได้ทางที่ไปพระนิพพานได้อย่างแท้จริงเพราะการามมาคุณทั้งห้านี้มีความยินดีเพียงนิดหน่อยแต่มีทุกข์มากดังที่พระพุทธภาสิทธิพระองค์ตรัสว่าอัปปสาธาทุก ข, ขากรารมา ตามนี้มีความยินดีเพียงนิดหน่อยแต่ว่าทุกเพราะอันเนื่องจากตามเป็นเหตุนี้มีมากเหลือเกินอันนี้พระองค์เพื่อจะตัดความคิดผิดหรือว่าความเห็นผิดๆของพวกความเข้าใจของคนโบราณหรือของศาสนาพราหมณ์เสียส่วนในทางที่ส อ, ท น, อนที่เกินอธิเติลเกินไปนั้นก็คนโบราณของชาวชมพูทวีป นั่นเขาเชื่อถือกันว่าคนที่ต้องการจะบรรลุคุณธรรมพิเศษนั้นจะต้องบำเพ็ญโดยทุกกรรกิริยาคือการทรมานกายถือว่าการทรมานกายนี้เป็นการบำเพ็ญเพียรอย่างสูงสุดเมื่อคนบำเพ็ญเพียรในทางทรมานกายนี้ได้แล้วจะบรรลุทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนปรารถนาเพราะว่าเทพเจ้าดึงบนนั้นเห็นใจ แต่ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุเสียตายไปซะก่อนในขณะบ่งเพณเพียร น, นี้ก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่ปัญจวคีนทั้งห้านี้ก็ยังเชื่อมั่นในทางนี้เชื่อมั่นอย่างไรในขณะที่พระองค์ทรงบ่งเพณทุกกรรกริยานั้นคอยประคองลุกประคองนั่งอุปาทาวทาต่าง เพื่อต้องการให้พระองค์นั้นได้บรรลุคุณธรรมพิเศษและได้สองตนเองบังแต่พอพระองค์มาเปลี่ยนวิถีทางสมัยคือละจากการบำเพ็ญโดยทุกรกิริยานั้นมองเพนเพียนทางใจหมดสภาทันทีปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้เชื่อแน่เลยว่าไม่มีทางสัสวรูแล้วอันนี้ก็แสดงว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้เชื่อในอัตตกิรมาฐานุโยคว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรอย่างยอดเยี่ยม นี่เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็จึงได้ปัจเสยว่าทาสายนี้ตึงเกินไปถ้าจะเปรียบเทียบแล้วทางสายที่หนึ่งที่ย่อนเกินไปนั้นถ้าจะเปรียบแล้วเหมือนกับพินสามสายเป็นพินสายหนึ่งที่เรียวขึงย่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเดืดแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นเพลงไพเราะได้ทุลส่วนทางสายนี้ก็ตึงเกินไปดืดแล้วเสียงก็จะแข็งแล้วก็ขาดง่ายเสียงไม่ไพเราะได้ เพราะฉะนั้นทางสองสายนี้พระองค์จึงบอกว่าไม่ใช่ทางที่ดําเนินไปสู่พระนิพพานจริงห้ามบอกบันบันชิดไม่ควรดําเนินหรือไม่ควรประทุษเสียและในระดับต่อไปพระองค์ก็แสดงทางสายกลางทางสายกลางนี่ที่เราเรียกกันว่ามัชชิมาปฏิปทาคือเป็นทางที่ว่าไม่ข้องแวะทางทั้งสองสายคือไม่หย่อนเกินไปคือไม่ข้องแวะในกามาคุณ และไม่ตึงเกินไปคือไม่บำเพ็ญเพียนโดยการทรมานกายแต่ดําเนินไปทางสายกลางทางสายกลางนี้พระองค์ตรัสไว้ว่าได้แก่อัตถังคิกรรมคือพ้นทางอันมีองค์แปดได้แก่มรรคแปดประการนั่นเองมรรคแปดประการนี้ก็เลยแก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่เรียกว่าเป็นทางสายกลางซึ่งหนทางนี้เป็นทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ซึ่งพระตถาคตนั้นได้ดำเนินและได้ตรัสรู้มาแล้วนี่พระองค์ทรงสดแสดงทางสามสายนี้ในอันดับแรก ในอันดับต่อไปนั้นพระองค์ก็แสดงอริยสัตว์สีประการอริยสี่อริยสิตอริยสัตวสีประการนี้เป็นการที่พระองค์ทรงแสดงความเป็นพุทธะของพระองค์ให้ปรากฏหเลยพูดง่ายว่าพระองค์ทรงประกาศความที่พระองค์เป็นพุทธะให้ปัญจวัคคีได้ฟังเพราะอะไรเพราะอริยสัตว์สีประการนี้ยังไม่เคยมีใครแสดงมาก่อนในโลกเลย ไม่เคยมีใครที่จะนำมากล่าวก่อนพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่แสดงเป็นองค์และเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ได้แสดงอริยสัจสีประการหรือว่าค้นพบอริยสัอริยสัจสีประการนี้ก็แสดงความเป็นพุทธะของพระองค์อริยสัจสีประการนี้อริยสัจนั้นแปลว่าสัจจ์อันจะเสร หรืออีกอย่างหนึ่งคํำว่าประเสริฐนั้นหมายถึงว่าสัจจะ จ, จริงๆสัจจะนั้นมีสองประการคือหนึ่งสมมติสัจจะกับสองปรมัติสัจจะหรืออริยสัจจะนี้สมมติสัจจะนั้นหมายถึงว่าจริงตามสมมติที่เชาวโลกสมมติกันเช่นชื่อคนชื่อต้นไม้หรือชื่อสัตว์เป็นต้นเป็นปเพียงสมมติกันแต่ว่าการสมมตินั้นก็ไม่แน่นอนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่อริยสัจนี้หมายถึงว่าสัจจะความจริงอย่างประเสริฐหรือความจริงอย่างจริงๆนั้นไม่ว่าจะเป็นในอดีตการปัจจุบันหรืออนาคตไม่มีเปลี่ยนแปลงคงเป็นจริงตามนั้นคงเป็นจริงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าอริยสัจสี่ประกอะไรบ้างเหล่าอริยสัจสี่นงทุกสภาวะที่ทนได้ยาก ทุกที่ว่าเป็นสภาว ะ, าวะที่ทนได้ยากนี้ได้แก่อะไรท่านกล่าวไว้ว่าได้แก่ชาติปิตุขาความเกิดก็เป็นทุก์ชาลาปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะถึงแก่การมรณะก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะ ความโศกความเศร้าเสียใจก็เป็นทุกข์ความคัดพลากจากสิ่งของที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความประสบแต่สิ่งของอันไม่เป็นที่รักหรือคนไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เมื่อกาวโดยย่อแล้วก็ได้แก่ขันห้าขันห้านี่แหละเป็นทุกข์ขันห้านี้ก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเหตุที่ขันห้านี้มีอยู่ การทุกข์จึได้เกิดขึ้นต่างๆอันหนานี่ทุกอันนี้เป็นอริยสัจอริยสัจยังไงเช่นชาติปีตุขาการเกิดเป็นทุกข์ไม่แม้แต่ในอดีตการเกิดก็เป็นทุกข์ปัจจุบันการเกิดก็เป็นทุกข์และในอนาคตข้านาการเกิดก็เป็นทุกข์การเกิดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสุขไปได้ทุกยังไงทุกทั้งผู้เกิดและทุกทั้งผู้ให้เกิดน่ะ ทั้งผู้ที่เกิดคือผู้ที่กำเนิดนั้นต้องเป็นทุกทรมานอยู่ในรันของมารดาเนี่ยถึงเก้าเดือนเวลาคลอดออกมาก็ลําบากมีแต่ความทุกข์ทางนั้นแม้แต่ผู้ให้กําเนิดคือมารดาก็ลําบากที่ต้องอุ้มท้องอยู่เก้าเดือนและเวลาที่จะให้เกิดคือคลอดออกมาก็ลําบากไม่ได้คลอดให้มาด้วยความสุขเมื่อะไรความทุกข์ทางนั้นนี่ในอดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นอริยสัจ คือเป็นของจริงจริงเรงืการที่สอนได้แก่สมุทยัย <c oughs> สมุทัยนี้ก็ได้แก่เหตุที่ให้เกิดทุกข์หรือเหตุให้ทุกข์เกิดคือต้อนเหตุที่จะให้เป็นทุกข์ทุกข์ที่เราจะได้รับนั้นไม่ใช่ว่าได้รับเรื่ อ, อยต้องมีเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ท่างกล่าวว่าได้แก่ตัญหาสามประการคือกามาัญหาภาวะัญหา วิภาวะตัณหาทั้งสามประการนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ประการที่สามนั้นได้แก่นิโรธสัสนิโรธสัสนี้หมายถึงว่าความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ทั้งกล่าวไว้ว่าได้แก่การปล่อยการวางการไม่ยึดมัน่นเหล่านี้เลวกว่า เป็นการดับทุกข์สียได้กล่าวง่ายๆคือว่าการไม่มีอุปาทานคือยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นของเราเป็นของเขาอันนี้เมื่อสิ่งเห น, งนั้นแตกสลายไปก็ไม่ได้รับความทุกข์ <c oughs> ประการที่สี่คือประการสุดท้ายมีได้แก่ใิโลทคาไมนีหรือได้แก่กรรมะ มักคือหอนทางที่จะใหถึงความดับทุกข์าการที่คนเราจะบรรลุความดับทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็บรรลุความดับทุกข์เลยเราต้องดําเนินหรือว่าต้องปฏิบัติทางเหมือนกับว่าเราต้องการจะไปสู่ที่ใดที่หนึ่งเราต้องเริ่มเดินทางทางที่จะไปสู่พระนิพพานหรือความดับทุกข์ใดนี้ที่เราเรียกว่าจะไปสู่นิโรธได้มีหนทางด้วยกัน แปดทางในียกันรูอแปดสายแปดขั้นด้วยกันก็คือที่เราเรียกกันว่าอริยมรรคสี่อริยมร 4, รมคแปดประการซึ่งมีธรรมาทิติเป็นต้นการดําเนินไปทางอริยมรรคสี่ประการนี่แหละคือดําเนินไปสู่หนทางความดับทุกข์คือดำเนินไปเ อ, อ็อดเ น, นดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ที่เราเรียกกันว่านิโรธหรือพระนิพพานนั่นเองในขณะที่พระพุทธองค์ กำลังอ่าแสดงปฐมเทศนาหรือว่าตรัลธรรมจักกับโอตธรมสมตรอยู่นี้ดวงตาเห็นธรรมนั้นดวงตาเห็นธรรมก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านอัญญาโกณทัญญาที่เรา เ, าเรียกกันว่าธรรมจักสุหรือจำมะจำมะจักขุคือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณทัญญะว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาการที่เด็ดบลุธรรมจากสุขหรือธรรมจากกุบเกิดขึ้นนี้ธรรมจากกุบในที่นี้ก็หมายความว่าโกนทัญญาฤาษีผู้นี้ได้บรรลุเป็นแอนได้บรรลุพระโสดาบัน คือเป็นพายะบุคคลขั้นต้นของพระศาสนาพระพุทธองค์นั้นเมื่อได้ทราบว่าธรรมะจากุกได้เกิดขึ้นแก่โกนทัญญะเช่นนี้ <c oughs> ก็จึงได้เปล่งอุทานขึ้นว่า <c oughs> อัญญาสิวัตโพโกนทันโอัญญาสิวัตโพโกทันโยซึ่งมีความหมายว่าอัญญาโกณทัญญะ ซึ่งมีความหมายว่าโกนธัญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แล้วหน อ, นญญหนอด้วยอำนาจที่พระองค์ได้ทรงแปล่งอุทานว่าอัญญาสินี่แหละอัญยาสิวัตโพ โ, โกนธโยนี่แหละเพราะฉะนั้นคําว่าอัญญานี้จึงได้เป็นชื่อนำหน้าของโกนธั ญ, ญะตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นไปตั้งแต่บัด น, นั้นโกณธั ญ, ญะนี้จึงได้มีชื่อว่า อัญญาโกณธรรัญะซึ่งแปลเป็นชื่อแล้วก็แปลแล้วก็แปลว่าอัญญาโกณธัญะผู้รู้เมื่อจบระธรรมเทศนานั้นอัญญาโกณธัญะนี้ก็จึงได้ทูลขออุปสมบทพระองค์ก็ประทานอุปสมบทให้ด้วยพระดำรัสว่าเอหิพิคุสวาขาโตมยาธรรมโม จรพรมมจริยังสัมมาทุกขสันตติติยายะซึ่งแปลความหมายว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ท่านพระอัญญาโกนทัญญาก็จึงได้เป็นภิกษุที่ถูกต้องตามพระพุทธศาสนา เพาะดำลัทว่าเอหิพิคุที่นําหน้าอย่างนี้ว่าเธอชงเป็นพิสุมทมาเถิดเพราะฉะนั้นการอุปสมบทแบบนี้จึงได้มีชื่อเรียกชื่อว่าเอหิพิคุอุสมัติาเป็นการอุปสมบทแบบแรกที่สุดในพระพุทธศาสนาก็จึงนับเลยว่าท่านพระัญญาโกณทัญญะนี้เป็นพระสังกรนตนะองค์แรกในพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นพระสังฆรัตนะที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมคือเป็นพระอริยะบุคคลด้วยเรียกง่ายๆว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เป็นอนพรพุทธศาสนาและก็เป็นพระสงฆ์ที่เป็นอริยะบุคคลด้วยคือเป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในวันแรกนี้ก็คือในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าเดือนแป นับว่าเป็นภาษาวองค์แลกเพราะฉะนั้นในวันเพ็ญขึ้นสิบ้าค่ำเดือนแปดมีจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหลายประการดดวกกันคือวันหนึ่งคือหนึ่ง <c oughs> เป็นวันที่เจ้าชายสีษะกุมาลออกบรระชาหรือออกบท <c oughs> สองเป็นวันที่องคุณเดชพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าสแสดงประมะเทศนาคือเทศครั้งแรก สามเป็นวันที่พระสงฆ์หรือพระสังฆรัตนนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้เรียกว่าเป็นความสาคัญของทางพุทธศาสนาและนอกจากนั้นแล้วเมื่อพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วพระรัตนไตรคือรัตนทั้งสามก็ครบบริบูรณ์ในวันนี้และนอกจากนั้นแล้ววันนี้ยังเป็นวันประสูกร์ ของลาหุนกุมารอีกด้วยซึ่งพระราหุนนี้ต่อมาก็เป็นพระ อ, อะระอิยะสาวกในบรรดาพระอสิติมหาสาวกองค์หนึ่งเช่นเดียวกันเมื่อปัญจอาเมื่อปัญจไอัญญาโกณพญานนี่ได้อุปสมบทแล้วพระองค์ก็ได้สั่งสอนปัญจวัคคีทั้งหทั้งสี่ที่เหลือคือวัปภัติยะมหานามะอสศชิ จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมจนกระทั่งหมดทั้งหมดด้วยกันทั้งสี่องค์ซึ่งมาตํานานกล่าวว่าสี่องค์นั้นได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมหรือเป็นพระโสดาบันนั้นคนละวันก็คือว่าวั ต, ตะได้บรรลุในวันแหลมค่ํา พัทธิยะสองคัมมมหานามะสี่คัมและก็อัตชิตามหานามะสามคัมมและอัตชิตสี่คัมมแต่ในอัตถกถาท่านได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าปะกพัทธิยะนี้ได้บรรลุในวันแรมสองคัมมมหานามะอัตชิตนี้ได้บรรลุในวันแรมสี่คัม แต่ว่าทั้งสอง อ, อาจารย์นี้กล่าวแล้วก็เรียกว่าทั้งสี่องค์นี้ได้บรรลุไม่เกินวันแรมสี่ค่ำเรียกว่าบรรลุเดียกันทั้งหมดดังนั้นในวันแรมห้าค่าเดือนแปดนั่นเององค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเห็นว่าพระษาวกทั้งห้าคือมันเบวะคีทั้งห้า น, นี้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จึงได้ตัดเรียกมาแล้วก็จึงได้แสดงพระธรรมเทศนาปโปรดที่เรียกว่าอนัตตะรคณูตร อน pass, ัตตละขณะสูตรนี้ก็คือพระสูตว่าโดยลักษณะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือไม่มีตัวไม่มีตนอนัตตละขณะสูตรนี้พระองค์ทรงยกขันห้าขึ้นว่าขึ้นตัดว่าเป็นอนัตตาคือรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาเรียกว่าไม่มีตนไม่ไม่มีตัวไมีตนด้วยกันทั้งนั้น ปัญจวัคคีทั้งห้าเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบนั้นก็ปรากฏว่ามีจิตหรือพ้นจากกิเลสอาสวะกิเลสอาสวะด้วยกันโดยที่ไม่ ย, ยึดมุดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ตะขีนาศกคือได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมกันทั้งหมดในวันแรมห้าค่ำเดือนแปดนั้น เมื่อบรรลุตาพระธรรมทแอมเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วปัญจวคัคคีย์ทั้งห้านี้ก็ได้ช่วยเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาคือเมื่อซึ่งฤดูฝนในปีนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่ามีพระสาวกอยู่ด้วยกันทั้งหมดด้วยกันหกสิบลูกแล้วเห็นพอที่จะส่งไปประกาศศาสนาได้แล้ว ก็กินเลือกจะชุมภาษาวก k มาซึ่งในบรรดาหกสิบโลกนั้นภาษา voke อปาจาวาคีทั้งห้าก็อยู่ในจําพวกนี้ด้วยเรียกว่าเป็นพวกอ่าเป็นพวกแหลที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งใบประกาศศาสนาโดยพระองค์ได้เลือกประชุมภาษาวกมาว่าดูกรพิสุกธิทั้งหลายเราก็ได้พ้นจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นทิศทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เดยทั้งหลายนั้นตรงเที่ยวไปในชนบรบทเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ชนเป็นอันมากแต่ว่าอย่าไปรวมกันสองลูกโดยทางเดียวกันจงแยกกันไปทางละลูกจงแสดงธรรมมีคุณในเบื้องต้นทรากลางและที่สุดและจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตทั้งพัญญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เ่าสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีบังในปัญญาดุจทุลีในจกักษุน้อยก็มีอยู่แต่ผู้ทุ่งที่ไม่ได้ฟังธรรมย่อมจะเสื่อมจากคุณธรรมไปได้ผู้ลู่ทอ่งลู่ทั่วถึงธรรมก็จะจะมีอยู่เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงไปแสดงธรรมชนิดโปรดแม้แต่้าคศเองก็จะได้ไปยังตั้บนอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม พระองค์ก็จึงได้ส่งพระสาวกทั้งหลายไปแสดงธรรมในบรรดาพระสาวกเหล่านั้นตามตํานานก็ได้ปรากฏว่าพระอัญญากลธัญญานี้ได้กลับไปหลอดหรือว่าไปแสดงธรรมไปเผยแพร่ศาสนานี้ยังบ้านตนบางเกิดของตัวเองคือที่ทนในวัตถุเพราะปรากฏว่าภายหลังนั้นท่านได้นําเอาหลานชายแท้ๆของท่านชื่อว่าพระปุณณมันตามีบุ ซึ่งเป็นบุตรของนางมันตา น, นีซึ่งเป็นน้องสาว แ, แท้ของท่านนั่นออกมาบทนะออกมาบทมาบทในพุทธศาสนาได้ท่านพระอัญญากรทัญญาณีภายหลังได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายฝ่ายรัตัญยูรัตัญยูนี่แปลว่ารู้ผู้รู้ราตรีนานนั้น มีทางกล่าวได้เป็นสองสถานคือหนึ่งหมายถึงว่าเป็นผู้ที่แก่กว่าใครทั้งหมดในบรรดาพิษุหรือลาตรีนานคือว่าเกิดมานานแล้วหรือประการหนึ่งหมายความว่าในบรรดาพิษุท์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่บือ่อกใครทั้งหมดก็เรียกว่ารู้ลาตรีในการที่เป็นบรรพบรรชิตนี้นานกว่าใครท่านทญญาโกณธัญญะ น, นีท่านเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วเพราะฉะนั้น อยู่มาภายหลังนี้ท่านเห็นว่าอยู่ในอาวาัตใจบ้านนั้นไม่ค่อยสบายก็จึงได้กราบทูล น, นั้นกราบทูลพระพุทธองค์ไปอยู่ป่าปรากฏว่าตั้งแต่บวชมาแล้วท่านอยู่ได้เพียง 12, สิบสองพรรษาคือเป็นพระได้เพียง 12, สิบสองพรรษานั้นก็นิพพานท่านพระัญญาโกณทัญญาณนั้นไปนิพพานที่เชิงภูเขาสุวรรณนบัณฑ์ท ใกล้สักฉัทันณะปาหิมพานก่อนพุทธปริพานบางตำนานบอกว่าในขณะที่ท่านปริพานนั้นมีอายุได้ถึงร2อยี่สิบปีส่วนพระสาวกองอื่นนั้นในปัญจวบัีสาวกองอื่นนั้นก็ที่มีปรากฏได้แก่พระอัชิเิยะได้ลูกศิษย์องค์สำคัญองค์หนึ่งคือ ท่านภาษาลิบุตรเส้นสั้นภาษาลิบุตรในขณะนั้นยังเป็นอุปติสสะปริภาชกอยู่เห็นอากัปกิกะอากัปกิริยาของท่านในการออกบิธฑบาตที่กรุงราชชคือเกิดความเริ่มใส่จึงเข้าไปถามและโดยฟังพระธรรมเทศนาของท่านก็จริงได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ทั้งสีที่เหลือนี้ท่านก็ดำรงอายุ ตามสงวรแก่การก้อนดับขันธปรินิพานโดยที่ไม่ปรากฏว่าได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์โดยประการใดก็ไปอันว่าประวัติของท่านปัญจวคีทั้งห้าก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยกัน